การสวดมนต์นะหรือว่าการทำวัดรนะวัดไหนก็แล้วแต่นะถือว่ามีอานิสงส์มากนะถ้าเราปฏิบัติทำด้วยแล้วเราก็อาศัยเนะี่ยการสวดมนต์การทำวัดการไหว้พระเนะี่ยถือเป็นประจำก็มันก็ทำให้เรามีกำลังขึ้นเยอะนะ มีในะพิสมีก็แปลให้ฟังนะมีมีคนจีนเขาก็เขาใช้วีแชทนะมาถามพิสมีถามในกลุ่มแล้วปฏิบัติทําแล้วนะมันคล้ายๆมันไม่มีกําลังมันมันเบื่อมันเหนื่อยประมาณนี้นนะอืมแจะทํายังไงดีนะก็ถามา ม, มาตรมาแล้วก็ แนะนำไปว่าเออถ้าบางคนถ้าชอบสวดมนต์นะชอบสวดมนต์ก็ให้นอกจากปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้สวดมนต์เสริมไปด้วยนะเผื่อจะได้มีกำลังขึ้นนะคือกำลังคือเหมือนกำลังใจนะกำลังใจพอเราได้ยินบทสวดมนต์โดยเฉพาะเราสวดนะป็นภาษาบาลีแปเป็นไทยเลยเนะี่ยมัน เราเข้าใจความหมายในการสวนมนไปด้วยเนี่ยมันก็เกิดความซาบซึ้งใจนะมีศรัทธานะที่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะศรัทธาในพระพุพะทธธรรมประสงค์ <c oughs> เข้าใจความหมายนะในสิ่งที่สวด น, นะทั้งบทสรรเสริญคุณก็ดีหรือว่าบทธรรมะจากพระสูตรต่างๆก็ดีนะ มันก็ทำให้เราทราบสึกมาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะมันเป็นเรื่องที่ท่าตอนให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี่เองนะเราก็เกิดความเข้าใจว่าเราจะเอาธรรมะจากการสวดมนต์เนี่ยเอาไปใช้ใน ในการปฏิบัติทำอย่างไรใช้ในชีวิตประจวันของเราอย่างไรเนะี่ยเราก็จะเกิดความมั่นใจนะมั่นใจในสิ่งที่เราปฏิบัติเกิดกำลังใจว่าเออมันก็เอาไปทำได้จริงๆริเนี้ยสวดผลมันก็ได้ได้อ น, นิสงส์เยอะนะอันนิสงส์เี้ยเราสามารถมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาก็ได้ หรือเอาธรรมะที่ไดจากการสวดเอาไปใช้ในชีพประจําวันของเราในการปฏิบัติธรรมต่อก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะสวดมนต์ให้เป็นการเจริญสติก็ได้นะสวดให้เป็นแบบธรรมดานะเหมือนคนทั่วไปเขาสวดหรือแม้แต่มาว่าศาสนาอื่นอื่นที่อื่นก็มีการสวดมนต์กันเยอะนะ แต่เราไม่ใช้การสวดมนต์แบบคือการอ้อนวอนขอร้องนะ่ะเอออันนั้นมันตื่นไปมนะัสนสวดมนต์หวังให้หายโรคหายภายัยสวดมนต์หวังให้ได้โชคได้ลาภอะไรอยาเงี้อันนั้นมันสวดแบบขอเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบันดาลอะไรให้เรานะได้ลาบได้ยศได้ สุขได้สบายอันนั้นไม่ใช่หนักนะพระพุทธเจ้าอนี้สอนให้เราสวดมนต์แบบเพื่อแบบเป็นผู้ขออันนั้นตื้นไปมากนะบางทีคนไทยหรือว่าชาวพุทธหลายๆที่บางทีสวดมนต์แบบหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์เพื่อแก้กรรมสวดมนต์เพื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ตรง ข, อง ข, องของ้อกำนพระพุทธเจ้า แต่จริงสวดมนต์จริงนะเพื่อให้ใจเรามีที่พึ่งนะอาจจะสวดมนต์ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจก็ได้นะเป็นการทําสมาธิก็ได้นะอสวดมนต์ไปสังเกตไหมใจมันเป็นสมาธิไหมนะบางทีทั่หมดที่เราชอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใจเราเป็นสมาธิสวดมนต์ไปก็มีความสุขนะสวดไป ทำนองที่เราจังหวะที่มันพอดีเราก็มีความสุขมีความสบายมีความสงบ น, นะไรนะมีความชอบในการสวดอันนี้คือมันเริ่เป็นสมาธิแต่ถ้าเราจะสวดอีกแบบหนึ่งนะสวดเป็นการเจริญสติเฉยก็ได้นะคือไม่ได้เอาความสุขแต่สวดล้วก็เห็นกายเขากําลังสวด เห็นกายเ็ขยับเห็นกายเ็าเป็นเสียงได้ยินเสียงตัวเราเองก็ดีได้ยินเสียงเพื่อนรอบๆก็ดีนะรู้ทั่วรู้ตัวทั่วพร้อมนะขณะที่กระดังนั่งสวดอยู่เห็นใจนะนะบางทีก็ขัดใจนะบางทีเพื่อนสวดเร็วก็ขัดใจบางทีเพื่อนสวดช้าก็ขัดใจนะบางทีเขา สวดพอดีอย่างที่เราชอบก็ดีใจชอบใจนะือบางทีก็เห็นใจบางทีสวดไปก็แว บ, บออกไปหลงลืมบทสวดมวนต์ไปคิดเรื่องอื่นเห็นนะร่างกายมันสวดถูกแต่ใจมันไปไหนก็ไม่รู้ก็มีนะอือันนี้สวดมวนต์แบบเจริญสติก็ได้ปนะไม่ได้เอาความสงบไม่ได้เอาความสุขไม่ได้เอาความเพลินนะ ไม่ได้อินเข้าไปในบทสวดมนต์ไม่ได้อินเข้าไปในอารมณ์ที่ที่สุขสบายแต่เราสวดมนต์เพื่อให้ห็นกายเขาก็ ด, ดังสวดมนต์นะไปสวดบทท่านั้นก็ได้ส ว, บวดบยทยาวๆก็ได้นะแล้วแตนะ่แล้วก็สังเกตดูร่างกายเขาสวดไปนสังเกตดูจิตใจเขา อยู่กับเนื้อกับตัวในการสวดไหมหรือออกไปที่อื่นมันอินไปเราก็รู้นะคือมันเข้าไปแน่เกินไปเคืองเกินไปอยู่นี้นะเราก็เห็นนะเห็นใจมันเข้าไปะพอมันเห็นแล้วมันจะถอออกมานะมันจะออกมาจากการเข้าไปเคืองเกินไปหรือมันตลงไปลงไปเราก็เห็นมันตลงไปนะมันก็จะกลับมาของมันเองนะ อันนี้คือสวดมนตแบบ์แบบแบบฝึกเจริญสติไปในการสวดมนต์ด้วยนะได้เหมือนกันน ะ, นะก็แล้วแต่เราจะเอาไปใช้อย่างไรนะบางทีถ้าเราสามารถฝึกแบบนี้ได้นะการสวดมนต์เนี่ยก็คือการเจริญสติดีๆนี่เองนะถ้าเราสังเกตตัว น, นี้ได้ในการพูดคุยนะ มันก็จะคล้ายๆการสวดมนต์นี่แหละนะเราก็จะเราก็จะสังเกตดูร่รางกายที่มันกระลังพูดนะอาจจะไม่ได้ทุกคําพูดหรอกนะนะสังเกตดูจิตใจเราขณะที่พูดขณะที่ฟังมันเป็นแบบไหนเนะี่ยมันก็จะได้อารมณ์คล้ายๆกันนะคือมันก็มีอารมณ์ชอบใจอารมณ์ไม่ชอบใจอารมณ์เฉยเฉยนะ ถ้าจะดูอารมณ์ดูความดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะมัน ก, ก, ก็มีแค่แน่นะไม่มีอะไรมากมนี้นะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่นะเวทนาก็มีแค่แค่สามลักษณะเท่านั้นแหละไม่ชอบใจก็ไม่ ก, ก็มีม้มีชอบใจมีไม่ชอบใจมีเฉยๆนะหรือพูดออย่างก็มีสุขมีทุกข์มี ธรรมดาเฉยๆนะไม่สุขไม่ทุกข์อนะไรนี่จริงโลกอนะ่ะมันก็มีแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะอื <c oughs> แต่ถ้าเราไม่รู้ทันเะนี่ยเราก็จะไปติดติดฝังใดฝังหนึ่งนะติดสุขในวลามันสุขเราก็เราก็แนบเข้าไปอยู่ในความสุขนะแต่สุขจากอะไรก็แล้วแต่นะสุขแบบเจ็บยาก สุขจากวัตถุสิ่งของที่ได้เราสุขเราพอใจดีใจนะเราก็ไปลงในความสุขนั้นแต่ความสุขจากสิ่งของมันแป บ, บเดียวนะมันแป บ, บเดียวแล้วก็มันต้องให้เราหาสิ่งที่มีความสุขอันอื่นเข้ามาแทนเพราะว่ามันซาบซ่าแป๊บเดียวเนาะ <c oughs> ถ้าเปรียบเหมือนคล้ายๆเหมือนกับเหมือนอาหารเนาะเรากินไปมันอร่อย แต่มื่พอคืนเข้าไปมันก็หมดละรสชาติในริมมันก็หมดไปละนะมันก็ต้องหาสิ่งอร่อยเข้ามากินเรื่อยๆนะดูหนังฟังเพลงได้อะไรก็แล้วแต่นะมันก็ชั่วขราวนะชั่วขณะนีน่แต่พอใครทำสมาธินะฝึกสมาธิไะเยอะขึ้นตอนนี้ความสุขมันก็จะมากขึ้นมันเป็นความสุขในสมาธินะ มันก็จะสบายนะมันก็จะสุกนานไม่ต้องอาศัยอะไรมากแต่บางทีมันก็ต้องอาศัยเหมือนกันนะอาศัยบรรยากาศที่สงบอาศัยกวาจะได้สมาธินะก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยจังหวะเวลาพอสมควรนะไม่ใช่มันนั่งปุ๊บได้ปั๊บทันทีนะบางวันก็กวาจะเข้าสมาธิกนานพอสมควรบางวันก็ไม่ได้เลยก็ี พอได้สมาธิแลเราก็เลยห่วงแขนมันก็เรียนแน่อยู่คนมันพยายามรักษามันพยายามคอเคลียไว้ไม่ให้มันหายไปนะเนะเหมือ น, ในใคลยๆอันนันเป็นสมาธิแบบไข่มีหินนะกลัวมันตกกลัวมันแตกนะกลัวมันหายไปอันนั้นก็ถ้าเราไปเพลินไปพอใจในเขาก็คือเราไปติดขานะอ่า แต่บางทีมีก็ได้นะแต่อยากไม่มีแบบมีสติรู้ตัวด้วยนะนะรู้ว่าจิตมันสงบนะมีตัวรู้อยู่ด้วยไม่ใช่ปล่อยไปอยู่ในความเพลินสบายไปเลยอันนีนะ้ถ้าเรามีสติคอยตำกับเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ลงไปติดในสุขติดในความสงบติดในความว่างนะติดในความเพลินทั้งจาก ทั้งจากความสุขทางโลกจากการเสพทางตามหมูจมุกลิ้นกายรวมทั้งใจความคิดต่างๆรวนทั้งความสุขเกิดจากสมาธิจากความสงบจากปิติใครก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลงเพลินไปกับเขาอันเนี้ยสติจะคอยทำให้เราไม่ลงปิดเพลินไม่แต่สวดมนต์ไปมันเพินมากนะเราก็จะเห็นใจมันเพลินมันก็จะออกมา คุยเพลินๆเราก็จะเห็นใจมันเพลินๆมัน hmm. ก็จะออกมานะอแม้แต mm ่ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะบางทีก็เพลินนะเพลินเดินเหมือนตัวลอยเลยนะยกมือก็แบบนะถ้าบางทีเพลินๆมากๆเราจะเห็นนะบางทีมันจะยกเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมันจะมันมันรู้สึกมันมันขึ้นนะเรื่อยๆนะนี่คือมันเริ่มเพลินไปแล้วนะ ทีเราก็รู้ึกมันดีไม่ใค่มันขนาดนี้นะแต่มันก็มันเกินไปนะืฝึกใจเพลินเกินไปสติจะช้ำให้เราเห็นเราก็จะออกมาแล้วก็ถ้าเราฝึกสติจริงๆแม้แต่บางทีการหลงการลืมนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีข้อเสียทั้งหมดนะเราสวดมนต์ก็จะเห็นบางทีจิตก็ไม่อยู่กับการสวดมนต์ตลอดหรอกนะบางทีก็แวะไปคิด ทีก็แวะไปสนใจคนอื่นนะไปชอบก็สวดแบบนี้ไปไม่ชอบก็าสวดแบบนี้นะนั่นนี่หลายอย่างนะวนอยู่ในขณะที่ทําก็ดีคือออกไปข้างนอกเลยก็ดีนะเราก็เห็นใจมันไปนะไอันเนี้ยการเห็นใจแบบนี้นะก็คือการมีสติอย่างหนึ่งนะอืเนะี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่อง เรื่องการเจริญสติจริงๆเนี่ยโอ้มันสารพัดประโยชน์จริงๆนะใช้ได้กับทุกอย่างนะอาศัยการสวดมนต์เป็นกรรมฐานก็ได้นะอาศัยดับเดียวกันนี่แหละนะในการพูดคุยนะในการทำการทำงานแล้วก็เห็นกายเห็นใจมันทำงานอยู่ก็ได้นะหรือไม้แต่อยู่คนเดียวนะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีก็เหมือนกันนะนะเห็นกายก็ ยืนเดินนั่งนอนเนย่าที่เราสวดนะเนาะเห็นกายก็คู้เหยียดเคลื่อนไหวนะมีความรู้สึกตัวนะอยู่เสมอในการกินดื่มขับถ่ายนะต่างๆนะนะยืนก็รู้ว่าเรายืนนะแต่จริงๆนะคือภาษาที่มาพูดเฉยๆนะคือรู้ชัดรู้ชัดคือยืนก็รู้ชัดนะถึงความรู้สึกที่กําลังยืนอยู่ตรงนั้นแนหะไม่ได้พูดว่าเรายืนนะนะแต่เหมือนว่า มัรู้ชัดถึงอาการที่ขณะที่ยืนนะเดินก็รู้ชัดนะในอาการขณะที่เดินนะนั่งก็ดีนะนอนก็ดีก็รู้ชัดนะคือรู้ตัวนะอย่างถ้าเรายกมือสร้างจังหวะ น, นะบางทีเราก็อยากจะแนะนําว่าในเช่นก่อนเราจะยกมือสร้างจังหวนนะเนี่ยให้เรารู้ชัดก่อนนะว่าเรานั่งนถ้าเรารู้ชัดก่อนว่าเรานั่งอมืมันก็ ขณะที่ไม่ใช่ไปรอไปรู้กันเคลื่อนมือนะเดีวยวมันจะไปหลมไปดูที่มืออย่างเดียวนะเรารู้ชัดว่าเรานั่งอยู่นะต่อไปมันก็จะเป็นการรู้ชัดนั่งไปด้วยนะเคลื่อนมือไปด้วยนะมีการเคลื่อนไหวไปด้วยแต่เราไม่ได้รู้ร่างกายเป็นอวัยวะเป็นส่สวนๆหรอกนะแต่ใหเรารู้รู้สึกถึงว่ามีกายอยู่นะ กายเ่าอยู่ในโลกนี้เราเราก็รู้ว่ามีกายอยู่แต่ถ่าไหนนะไม่สำคัญหรอกแค่เรารรารู้ว่ามีกายอยู่เนะี่ยจิตมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวก็คือเนะี่ยจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวไม่ได้เข้าไปอยู่ในมือในส่วนใดส่วนหนึ่งนะถ้าเข้าไปมันเป็นสมาธิถ้ารู้ถ้ารู้อยู่มนะันเป็นสติ เป็นสติที่เห็นอยู่นะเราก็ดูมันะจะทําอะไรนะเราก็สังเกตดูตัวเราแบบนี้แหละนะดูกายดูใจเขาทํางานนะมันอินเข้าไปมันออกนอกไปมันพอดีนะเราก็เห็นมันนะนะพวกนี้แหละมันจะเป็นบทเรียนทำให้เราทา ง, า ง, นะทางให้เราปรับเองนะทำให้เราปรับนะปรับว่าตรวจแบบไหนพอดีนะ เดินแบบไหนพอดีพูดแบบไหนพอดีอะไรใช้พลังงานมากเกินไปอะไรอินเกินไปอะไรเบาเกินไปอะไรเพินเกินไปเนะี่ยเราก็จะเห็นเองนะมันจะสอนตัวเราเองนะอาจจะไม่เหมือนเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะบางทีเราก็อย่าไปคิดว่าเราทำแบบนี้มันพอดีนะคนอื่นก็ต้องทำแบบนี้ถ้าเราสิมันก็ไม่ใช่นะ ความพอดีของแต่ละคนบางทีก็ไม่เหมือนกันนะไม่ได้เอามาตรฐานว่าเราทําแบบนี้นะในภายนอกเขามันจะต้องไปให้คนอื่นเขาทําตามเราก็ไม่ใช่แต่ให้เราสังเกตดูตัวเราว่าทําแบบไหนพอดีทําแบบไหนมันตึงไปทําแบบไหนมันย่อนไปนาะให้เรารู้ทันแล้วตามเห็นคนอื่นเขาทําอะไรที่อาจจะไม่เหมือนเรานะก็อย่าไปตัดสินเขาอย่าไปวิพากษ์เขาว่า มันถูกคือมันผิดนะบาทีเราก็รู้ว่าผิดคือถูกนะแต่ก็นะอย่าไปอย่าไปติดที่ตรงนั้นนะรู้ก็รู้ก็จบที่รู้แค่นั้นแหละนะ <c oughs> อย่เพิ่งไปคิดต่อปรุงแต่งต่ออย่างนี้เนาะนี่คือถ้าปฏิบัติธรรมมันก็สนุกนะนะสนุกรู้สนุกเห็นนะอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยคือสนุกรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะี่อมันมีหลายอย่างมากให้เราได้เห็นคำว่เ า, าเห็นตัวเองเนะี่ยโอ้มันเป็นคำที่สําคัญมากนะแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นตัวเองนะแต่พอมีสติมันมันเห็นตัวเองเยอะขึ้นมันรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเองเยอะขึ้นนะมันเป็นความสนุกรู้สนุกเห็นนะเห็นความหลงนะมันแสดงเข้ามานะ เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะในการในใจเนะี่ยมันสนุกในการรู้เห็นนะมันก็สนุกในการปฏิบัติธรรมนะมันก็จะไม่เบื่ออนะ่ะนอถ้าใครได้อารมณ์แบบนี้นะเรียกว่าได้อารมณ์ในการปฏิบัตินะแต่ก็อย่าไปติดอารมณ์เหมือนกันนะมันสนุกนะแต่ไม่ใช่ไปเพลินในความสนุกนะมันสนุกในการศึกษาตัวเองนะแต่ไม่ใช่ไปเพลินในความสนุกตรงนั้นนะ แยกบางทีภาษาก็ภาษาก็พูดถ้าไม่เข้าใจสภาวะธรรมนะตีความภาษาธรร ม, มนั่นยากนะแต่ก็เข้าใจจิตไปก่อนนะ่ะบางทีพอมาต้อง เ, เห็นด้วยตัวเองนะ้วค่อยจะเข้าใจถูกเองบางทีก็พูดยากนะก็พูดนะก็พูดให้เป็นเป็นแง่คิดนะเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมไว้ก่อนนะ จะให้เราค่อยๆสังเกตดูตัวเราขณะที่ทำสิ่งต่างๆเนาะฝากไว้นะนะนะนะ